พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14รสระสูตรที่37สลายตนะวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกอายตนะหพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามรัสแสดงธรรมเรื่องการแจกอายตนะหกโดยตั้งอุทเทศหรือตั้งบทตั้งว่าควรทราบอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหหมวดวิญญาณห มวดผัสสะหกมโนปวิจารสิบคือความท่องเที่ยวไปแห่งใจสัตตบท36คือทางไปของสัตว์เป็นต้นครั้นแล้วทรงแจกอายตนะภายในหกว่ามีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกหกว่ามีรูปเป็นต้นวิญญาณกายหกมีจักขุวิญญาณเป็นต้นผัสสะกายหก มีจักขุสัมผัสเป็นต้นมโนปวิจารสิบคือเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นแล้วใจก็ท่องเที่ยวไปสู่รูปที่เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาส่วนสัตตบทหรือทางไปของสัตว์36ทส่งแสดงโสมนัสหรือความดีใจที่อาศัยเรือนหกอาศัยเนคขมะหรือการออกจากกรามอีกหก โทมนัสหรือความเสียใจที่อาศัยเรือนหอาศัยเนคขมมะหกอุเบกขาที่อาศัยเรือนหอาศัยเนคขมมะอีกหกครั้นแล้วทรงแสดงธรรมให้อาศัยส่วนที่อาศัยเนคขมมะให้ละส่วนที่อาศัยเรือนแล้วทรงแสดงคุณลักษณะของาศาสดา พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่38ดอุเทศวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยบทตั้งและคำอธิบายพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามตรัสแสดงอุเทศวิพังคือบทตั้งพร้อมทั้งคำอธิบายที่ว่าภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่วิญญาณของเธอจะไม่สัดสายไปภายนอก ไม่ตั้งอยู่ในภายในไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สะดุง้งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีความเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณนะและเหตุให้ทุกเกิดอีกต่อไปตรัสเพียงย่อๆเท่านี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นเข้าสู่พระวิหารภิกษุทั้งหลายจึงไปหาพระมหากัจจะเถระ ขอให้อธิบายขยายความ โ, โดยพิสดารซึ่งท่านก็ได้อธิบายชี้แจงเป็นข้อๆไปสำหรับส่วนนี้มีข้อน่าสังเกตว่าในประโยคว่าวิญญาณไม่ตั้งอยู่ในภายในท่านใช้คำว่าจิตแทนคำว่าวิญญาณว่าไม่ติดอยู่ในองค์ชานเมื <S <S <éc ure> ่อภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค ก็ตรัสชมเชยพระมหากจจารณาเทระและตรัสสอนให้ทรงไว้อย่างที่ได้แสดงไว้แล้ว